การพิจารณาว่ากายกับใจไม่ใช่เราวงเล็บเปิด18พฤศจิกายน2549ในวงเล็บ2ที3 6วงเล็บปิดความจริงไม่มีเราตอนนี้เราก็รู้สึกว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราไปก่อนไม่ต้องแกล้งรู้สึกว่าไม่ใช่เรานะก็รู้สึกว่าเรานี่แหละแต่คอยหัดสังเกตหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆ อย่างจิตใจโ ย, ยยออโยมรู้สึกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็คิดดูออกไหมฟังไปคิดไปโยมรู้สึกไหมว่าตอนฟังหรือตอนคิดนี่เราไม่ได้เลือกจิตมันทําเองเดี๋ยวมันฟังนิดนึงแล้วก็ไปคิดดูออกไหมมันไปคิดของมันเองการที่เราเห็นว่ามันทํางานได้เองนี่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทํางานได้เองไม่ต้องคิดเอาว่าไม่ใช่เรานะค่อยๆเห็นไปแล้วจะเข้าใจ ใจเรามันยึดมั่นว่าจิตเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นมันรู้สึกมาตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นจิตเกิดดับนะร่างกายเราเห็นว่าหน้าของเราไม่เหมือนกันนะแต่ละปีแต่ละปีหน้าเราเปลี่ยนเราเห็นง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราหรือเวลาเรามีสติกระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนนี่เราเห็นเลยมันเป็นของถูกจิตรู้มันไม่ใช่ตัวเราร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จิตนี่ดูยากเพราะจิตเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องมาหัดดูจิตที่เกิดดับต่อนเนื่องกันอย่างนั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมาแว็บหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็คิดตรงนี้โยมดูออกไหมฟังไปคิดไปนี่โยมดูตรงนี้เรื่อยๆอยู่ที่บ้านทําอะไรก็คอยดูใจจิตใจเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดแว็บเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบคอยดูเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเขาทํางานได้เองเราบังคับเขาไม่ได้หรอก ถึงวันหนึ่งเราจะละความเห็นผิดว่าเราบังคับเขาได้เขาเป็นตัวเราคําว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่ใช่ตัวเราหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเราต้องดูให้พอนะดูเยอะๆเหมือนเรากินข้าวนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเองตอนนี้ต้องกินไปเรื่อยๆก่อนดูบ่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเอง